เรื่องรอดมาได้เพราะเสียงกระซิบของท่านอาจารย์โดยคุณแดงผมมีพระอาจารย์องค์หนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อท่านท่านมีอภินิหารปรากฏกับผมหลายตอนหลายครั้งผมขอถ่ายทอดถึงครั้งที่ท่านช่วยชีวิตลูกศิษย์เช่นผมให้รอดมาได้เป็นตัวอย่างดังนี้ เมื่อประมาณพศส5งหสคุณสนทิลิ้มทองกุลได้ปรนนาไว้กับท่านอาจารย์ของผมว่าจะพิมพ์หนังสือถวายสามแสนเล่มเป็นหนังสือเล่มใหญ่คิดเป็นมูลค่ามากโขเมื่องานเสร็จทางโรงพิมพ์โทรศัพท์มาแจ้งว่าหนังสือเสร็จแล้วผมจึงคิดว่าในตอนค่ำนี้จะเอาขึ้นไปส่งที่วัดและผมก็มานึกได้ว่า รถน่าจะไปถึงในช่วงสายที่พวกญาติโยมออกจากวัดไปหมดแล้วเหลือแต่พระถ้าจะลำบากจึงสองจิตสองใจว่าจะไปดีหรือไม่แม้ว่าได้บอกคุณสนธิไว้และเขาก็รับทราบแล้วช่วงหัวค่ำผมก็ยังแวะเวียนไปที่ต่างๆตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะไปวัดกลับถึงบ้านอาบน้ำจะนอนแล้วก็เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีขณะผมเดินผ่านตู้เสื้อผ้า ความคิดสะดุดขึ้นมาเลยว่าเราจะนอนให้มันเป็นทุกข์อยู่ทำไมอะไรที่ควรทำก็ทำเสียจะได้ไม่ต้องมาเป็นกังวลย้อนหน้าย้อนหลังทีนี้ก็แต่งตัวเลยแต่ในใจก็นึกว่าเอหรือจะมีใครมาเรียกเราไปตายแต่อีกใจก็บอกว่าตายก็ตายถ้าตายเพราะไปทำบุญเราก็ยินดีผมจึงแต่งตัวขับรถออกจากบ้านมาเลย ในช่วงเวลานั้นมีการก่อสร้างขยายถนนมิตรภาพการจราจรไม่สะดวกผมจึงเลี่ยงไปทางสายหลังคือทางชยภูมิทางค่อนข้างเปลี่ยวเพราะดึกมากแล้วพอขับมาถึงช่วงที่เป็นทางสามแยกทางหนึ่งแยกไปมันจาาคีรีอยู่ๆก็ได้ยินเสียงท่านอาจารย์ของผมกระซิบในหูท่านบอกว่าอภิชาตระวังนะทางสามแยกผมสะดุ้งเลย กำลังดึกดึก ม, ดมืดมืดขับอยู่คนเดียวได้ยินเสียงท่านปุ๊บก็ยกคันเร่งเบาเลยปรากฏว่าในเขตก่อสร้างทั้งไฟทั้งป้ายคําเตือนป้ายจราจรไม่มีเลยหายหมดปริบตานั้นถนนก็กลายเป็นถนนลูกรังเสียแล้วผมเริ่มเบรกรถไปเซไปพยายามชะลอความเร็วให้มากที่สุดแต่ครนั้นก็มาถึงจุดที่จะต้องเลี้ยวทั้งๆัง ท, งที่รถยังเร็วเกินไป แต่ก็ต้องลุ้นไปให้ได้จนในที่สุดก็หลุดรอดมาได้ในใจก็คิดว่าเอ๊ะนี่ฝีมือเราหรือเปล่ามันเกินความสามารถเรานะเนี่ยผมรอดมาได้เพราะเสียงกระซิบของท่านอาจารย์ไม่เช่นนั้นผมก็คงตกถนนตายไปแล้วเพราะถนนตรงสามแยกมันจะคีรีนี่สูงมากหลุดจากตรงนั้นมาได้และยังนึกกราบขอบพระคุณท่านที่ท่านได้มาเตือน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับผมก่อนหน้านั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปอยู่วัดเพื่อฝึกภาวนาผมจอดรถไว้ใต้ที่พักในช่วงดึกๆประมาณตีสามผมลงจากเรือนเพื่อไปเข้าห้องน้ำก็พบท่านอาจารย์ท่านยืนอยู่แถวหน้ารถของผมผมก็ยังนึกว่าเอ๊ท่านมาทาไมแต่ยังไม่ทันได้ถามท่านก็บอกมาว่ามีหนูเข้าไปในฝากระโปรงรถอภิชาตจึงมาไล่ให ท่านบอกว่ามันไปแล้วผมก็ขอบพระคุณท่านแล้วท่านก็ไปรุ่งเช้าจะออกเดินทางกลับกรุงเทพปรากฏว่าเมื่อเปิดสวิตช์ไฟรถมาตรวัดต่างๆไม่ทำงานเงียบไปหมดเพราะหนูไปกัดสายไฟหมดแล้วแต่รถก็ยังสตาร์ตติดวิ่งได้แสดงว่ามีหนูเข้ามาจริงแล้วท่านอาจารย์ก็มาไล่ให้ก่อนที่มันจะทำลายมากไปกว่านี้ นี่แหละเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าท่านรู้ด้วยความละเอียดของยานของท่านที่ท่านมากระซิบที่หูผมคราวนี้ผมเชื่อร้อยเปอร์เซต์ว่าท่านมาช่วยไม่ใช่ผมอุปาทานไปเองพอรอดจากช่วงแยกมันจากคีรีแล้วก็มาถึงเขื่อนลำน้ำพองผมก็แวะเข้าปั๊มเพื่อเติมน้ำมันพอเติมน้ำมันเสร็จรถกลับสตาร์ทไม่ติดเลยทาอย่างไรก็ไม่ติดจนกระทั่งหมดปัญญาสุดท้ายต้องเข็นไปแอบจอดไว พอจอดปุ๊บก็มีรถเมย์มาเติมน้ํามันพอดีผมจึงตัดสินใจขึ้นรถเมย์ขึ้นไปนั่งแป๊บเดียวก็หลับสนิทจนมาถึงช่วงที่ใกล้แยกเข้าบ้านตาดก็ตื่นขึ้นมาพอดีพบว่ามีผู้หญิงท้องแก่มากๆจนคําเก้าอี้มานั่งอยู่ข้างๆไม่รู้ว่าขึ้นมานั่งด้วยตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะช่วงนั้นคงหลับแบบสลบอยู่ด้วยความเกรงใจผมจึงยังไม่ลุกลงจากรถนั่งต่อไปจนถึงในเมือง แล้วย้อนมาบ้านลูกค้าที่รู้จักกันขอยืมรถเขาเขาก็ให้รถมาเลยผมมาทานรถบรรทุกสิบล้อที่ขนหนังสือมาหนังสือมาเยอะมากเต็มรถสิบล้อก็ไประดมผู้คนให้มาช่วยกันจะให้พระท่านขนฝ่ายเดียวก็แย่ก็ได้อาศัยญาติโยมมาช่วยกันขนเมื่อเข้ามาถึงที่วัดท่านอาจารย์ก็เข้ามาทักและพูดว่ากําลังคิดถึงเราอยู่พอดีนะแค่นั้นเองแหละ และท่านก็เดินจากไปในตอนเย็นผมได้เตรียมการที่จะไปลากรถที่จอดเสียอยู่ที่ปั๊มเพื่อเอามาไว้ที่อุดรก่อนเตรียมเชือกแล้วขอคนขับรถไปด้วยจะได้ลากกันมาก่อนจะลากก็ลองสตาร์ทรถดูอีกครั้งปรากฏว่าติดเฉยเลยลองดับเครื่องสตาร์ทใหม่เหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นในที่สุด ก็ให้คนลากเอารถที่ยืมมากลับคืนไปส่วนผมก็กลับกรุงเทพรถคันนี้ไม่ได้ซ่อมและไม่เคยมีอาการอย่างนี้อีกเลยจึงหวนกลับมาคิดถึงท่านอาจารย์อีกท่านคงรู้ว่าถ้าปล่อยให้ผมขับรถต่อไปก็คงไม่มีหนทางที่จะช่วยได้แล้วเพราะมันคงหลับแบบสลบจะกระซิบอย่างไรก็ไม่มีทางได้ยินผมรู้สํานึกว่าผมคงไม่มีชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ หากไม่ได้ท่านอาจารย์คอยช่วยผมทั้งในนิมิตและโดยองค์ท่านเองผมไม่มีความสงสัยในองค์ท่านเพราะผมได้พบและประจักษ์ด้วยตัวผมเองบทความโดยคุณแดงเสียงอ่านโดยโจโฉ